ก่าวการเราถวายความเคารพอย่างสูงยัางอาจารย์ไพศานพระเถระพระเพื่อนสาขาทำมทุกตุกโรเจริญอนเจริญธรรมอย่างคุณแม่ชีแลว้วก็นัองปฏิบัติธรรมได้อย่หนาทีนี้ตุกตุกเต็น ชีวิตของเรามันต้องเดินถึงจุดหมายถึงเป้าหมายของชีวิตบท ห, หมายที่ตักเอาไว้ชัดก็คือความทุกข์ชีวิตของเรามันมีภัยภัยจากการัรแก่การเจ็บการตายมรณะภัยนอโลคาภัย ยังมีอุบัติภัยอย่างขณะนี้ฝนตกอีกหลายพื้นที่หลายภูมิภาคน้ำท่วมมีภัยมีโจรภัยมีอุบัติภัยมีภัยวัตตาสงสารที่เกิดจากความคิดมันก็จะมีตัวแก้โลคาภัยมีหมอมีพยาบาลมีสารณสุข วิมีป้องกันบรรเทาสาราภัยต่างๆโจรละยก็มีภูรักษสันติราชแต่ว่าภัยวัตตสงสารนี่อันนี้สองพันปีที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้ก้นพบจนกระทั่งมีการเผยแพร่ขยายผลมาถึงยุคเราสองพันหกร้อยปีแล้ว ่าของวัฏฏสงสารแก้ด้วยพุทธศาสนามีปัญหาเรื่องโล่งจิตโล่งใจจิตใจเป็นโรคเราแก้ด้วยจิตตภาวนาเป็นศาสตร์ทางตะวันออกแต่ไม่ได้ใช้จิตตวิยาที่เป็นศาสตร์ทางตะวันตกแล้วก็โดยเฉพาะความรู้สึกตัวอันนี้มันเป็นวิธีแก้ที่รัดสั้น ทุกครั้งที่เรารู้สึกทียกายที่ใจมันจะเป็นการรับรู้เรียนรู้แล้วก็เห็นทุกเหตุแห่งทุกมันเห็นอาการต่างๆแล้วก็ไม่มีตัณหาวัฏทานเข้าไปจริงๆอันนั้นคือสภาวะของผู้รู้ที่มันพัฒนาจนเป็นผู้ดูก็จะเกิดการดูเห็นอาการต่างๆ แล้วก็ไม่เข้าไปเป็นในการต่างๆมันก็จะเป็นลนักษณะของการเดินทางไปสู่เป้าหมายไปสู่หมดหมายที่ปักกันเอาไว้เป็นลนักษณะของรงชัยของเราพรลานที่เดินไปถึงแล้วก็จึงเราะมีความเพียรกันพยายามที่จะเหมือนกับวาฝึกหัดให้เกิดความชำนาญ ในการที่จะเห็นกาเห็นใจของเราเห็นการที่เกิดมาโดยไม่ต้องไปใส่ชื่อการใส่ชื่อต่างๆลงไปมันก็คือระบบความคิดทั้งหมดมันเป็นระบบของสมมุติเป็นลนักาณะของการจินตนาการแล้จึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตรงลงไปล้วนๆในทุกๆกนะัน จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับไทายจะคูดเหยียดเคลื่อนไหวต่างๆในการพูดในการนิ่งไทายปัตบะอุจาระเรียกว่ามีสัพขัญญะมีสติรูร้รู้อาการเหต น, นการณ์ตามความเป็นจริงที่ตัวเราตรงนี้หละจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาจนเห็น ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจริงๆรอบตัวเราตลอดเวลาเวลากับโลกก็ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกก็มีโลกคือแผ่นดินที่เป็นลักษณะของวัตถุที่เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเป็นโลกหนึ่งของระบบตัยญาจักรวาลอย่างนี้ ทีนี้มันมีโรค ก, ก็คือร่างกายของเราที่ฟั่งศอกยาววานาคือ้นตอหัวเจ้รดเท้าแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันโรคนี้มีน้ำสามส่วนในสี่ส่วนร่างกายของเราก็มีน้ำอยู่เจ็ดสิบงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากันสามในสี่มีท่าลมที่มันพัดไปไหวไปไหวมา ในตัวเรามันก็มีอารมณ์มก็เกิดขึ้นเป็นนามธรรมภายในจิตใจของเราก็มีธาตุลมลมเบื้องบนลมในช่องว่างไนว่าการยกมือสิบสี่งหวเดินจงกรมนี่เป็นลมในช่องว่างลมเบื้องล่างมันก็มีเหมือนเหมือนกันธาตุไฟแล้วก็มีเหมือนเหมือนกันมีไฟที่เผาอาหารในกระเพาะเวลากบฉัน ใส่อาหารลงไปธาตุดีสู่ธาตุดีมันก็เผาผานมันก็เหมือนกันเราก็เห็นปกติลามันเป็นความทุกข์มีความหิวเกิดขึ้นมาเป็นโมโหหิวร่างกายหิวกระเพาะร้อนน้ำย่อยอไหลแต่ว่าจิตใจของเรามาเป็นความโมโหโทโซจังๆมันเกิดเหตุการณ์มากมาย <c oughs> การงานเสียรหรือว่าเสียมิตรเสียเพื่อนเสียฝูงไปอย่างเงี้ยเราอะไมารู้จักกันเรื่งกายเรงใจเราการใส่บรรยากาศการยนานมิตรนี่แหละก็คือหลายคนหลายท่านที่เป็นเรื่องของศาสนบุคคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์รว่ามีมิตรสหายต่างๆที่ร่วมกันเดินทางประสงค์เป็นพี่แม่ชีเป็นน้อง ว่าสกอุบาสิกาเป็นน้องต่างๆมีพระเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมธรรมชาติเป็นแม่เราก็เลยอุ่นใจมีความน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องอดทนต่อกันเรามีความลึกซึ้งเวลาจะพูดอะไรกันไม่ถือสาหาความชี้แจงกันอย่างละเอียดอันนี้เป็นลนักษณะของกัลยาณมิตรมีความเรียกว่า น่ารักน่าเคารพนายกย่องอดทนต่อกันนะครลึกซึ้งไม่ชวนกันไปทางที่เสื่อมถ้าเป็นทางเสื่อมเราก็ไม่พากันไปเป็นเรื่องของการทวนท ว, วนกิเลสการที่เราจะไหลลงต่ำไม่พุ่งผ่านไปสู่ของการทวนกระแสของกิเลสจะต้องถึงจุดหมายปลายทางออกสมเด็จสมมาเจ้าก็ได้ชี้ไว้ชัดครั้งหนึ่ง ได้เดินทางกันไปจนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าก็ถามเหล่าพระภิกษุว่าเธอเห็นไหมท่อนไม้ที่ลอยอยู่ที่กลางน้ำพระสงฆ์ก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าค่าเหตุที่จะทำให้ท่อนทุงไม่ลอยไปสู่ทะเลซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหรือเราจะเรียกว่าพัานธิพานก็ว่าได้ ก็ได้เหตุที่ว่าหนึ่งไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็หมายถึงว่าไปติดโยการูปรถกินเสียงต่างๆภายในหกภายนอกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปรถกินเสียงผัพธรรมลมไปติดกันมันก็จะไม่ถึงทะเลลึกไม่ไหลไปสู่ความกวาม้ว า, วางของทะเล ตอมาสองก็คือจมไปก็ก่อนระหว่างที่ลอยตุกปัดตุก ป, ปองจมวูบลงไปก็หมายถึงว่าจมอยู่ในความเพิดเพลินนั้นที่ราคะนี้กำหนัดกำหนัดในความเพลินต่างๆมันจะทำให้เราไม่ไหลไปสู่เป้าหมายปลายทางต่อมาก็คือไปติดแห้งอยู่บนบก ก็เป็นเรื่องของความมีความเป็นต่างๆเป็นเรื่องของอรนะิมิมานะมีมานะทิฏฐิเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนู้นแล้วก็ติดอยู่ในหัวโขนต่างๆสแสดงแล้วก็ไม่ติดถอดหัวโขนจนทามันเสียเวลา <c oughs> นีมันเสียเวลาที่จะเดินทางต่อไปก็เรียกว่าขาดสตินขาสมาธิขาปัญญาในขณะนั้นน อาการของกายอาการของจิตของใจไม่ทันต่อมก็คือถูกมนุษย์ก็จับไว้แทนที่จะล่องลอยไหลไปมนุษย์ก็จับเอาไว้ทำไมถึงว่าหมกมุ่นโดยการงานที่ทํากันแบบเขารหัุเรียกว่าหัวโลนอยากลําหัวดําอยากเทศมาเป็นเรื่องที่ทําให้เสียเวลาเวลาหมกมุ่นอยู่กับสุขสุขทุก ท, กทกุหัวเลาะล่ะลองให้ การงานแบบคระหัดคนี้ไม่เสียเวลาที่จะฝึกหัดพัฒนากายใจของตนที่เป็นเรื่องของการกลับเข้ามาปฏิวัติว่ากลับเข้ามาอยู่ในกรอบของการเดินทางต่อมาก็คือถูกมนุษย์จับไว้ามนุษย์กหมายถึงว่าบางทีการปฏิปธรรมเราก็หวังว่ามันจะมีฤทธิ์ จะมีคุณิเศษนะจะเป็นเรื่องของเทวดาที่บางทีก็สักใหญ่สักดาใหญ่บางก็สักดาน้อยเราก็มุ่งหวังว่าทำแล้วจะมีความสุขเทวดาก็หมายถึงว่าเทแหลกนเทเพื่อให้เข้าชมว่าเราดีเราเก่งก็เทก็ไปเทมากเทน้อยจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา เห็นอะไรว่าถ้ามีก็จะให้ทันทีอันนี้เรียกว่าทําให้เราหวงหวังที่จะมีความสุขจากการให้มากๆอะไรประเภท น, นี้ก็นั่นหมายถึงว่าก็ทําให้เราติดรสชาติของความสุขที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างเราปฏิบัติธรรมแ ท, ทนที่จะไหลไปเอียงไปเรียกว่านมน้อมนหรือว่ารุ่มราดเอียงเทน ไหลไปสู่มากสู่ผลมันก็จะสะดุดหยุดลงแค่นั้นก่อนต่อมาก็คือระหว่างที่ท่อนซุงลอยไปจอกสู่ทะเลบางทีก็เกิดลักษณะของกระแสน้ำวนจากดูดหยุดเอาไว้ตรงนั้นก่อนกระแสน้ำวนก็นั่นหมายถึงว่าลักษณะของการที่ มันมีความกำนัดวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆดูดบนเอาไว้ก่อนไม่ให้ไหลออกไปสู่ทะเลที่มีความลุ่มลึกต่อมาก็คือเกิดอาการเน่าในจนทั้งไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เป็นลักษณะของพระบิกษุที่บางทนะีเราคิดแล้วก็เกิดการกินแหนงแกลงใจตัวเอง เหือนกัว่าเราไม่ใช่สมณะก็อ้างว่าเป็นสมณะะเราไม่ได้มีการบรรลุธรรมก็อ้างว่ามีการบรรลุธรรมจนกทัง่งเหมือนกับว่าเป็นบอ่อขยะะที่เขาเทขยะลงไปนะเหม็นเปียกแฉะเน่นในอันนี้ก็เป็นแล้วนะที่ทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็จึงเรียกว่ามีความรู้สึกตัวลงไป เหตุาการต่างๆที่ปรากฏเรว่าความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่าท้ายสุดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้อินเสียงเราเข้มแข็งมีความแก่กล้าเก่งขึ้นไหมเกิดลักษณะของอินเสียงห้าพละห้าก็เรียกว่าศรัทธาไม่มีมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมามีความเชื่อ จะว่าเออเราปฏิบัติทำ ม, มีความรู้สึกตัวมันก็จะเอียงไล่ไปทางมรรคผลนิพพานมีความเชื่ออย่างนั้นทำดีมันก็ดีทำเชื่อมันก็เชืวช่วเชืช่อจริงๆอย่างนี้นมีลักษณะของปัญญาลงไปลักษณะของปัญญาก็คือเมื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็รู้สึกจริงๆเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเห็นและเห็นถูก เห็นขณะที่มันเคลื่อนเป็นปัจจุบันจริงๆมันเกร็งมันคลายยังไงอย่างเงมันปกติมันไม่ปกติยังไงมันคิดมันไม่คิดยังไงจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถ้าเราเรียกว่าแยบคลายสักหน่อยความขยันไม่มีอย่างงี้ยให้มันมีลงไปมีความขยันในการที่จะบําเพ็ญเพียรหมายถึงว่าลักษณะของความรู้สึกตัวขนาดใดขนาดหนึ่ง ที่เรามีความถนัดในรูปแบบของนั่งดูลมหายใจกระทบที่ปลายจมบรู้สึกอย่านีหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหรว่าท้องมันพองยุบพองก็รู้ยุบก็รู้หรือว่ากระพริบตาบางทีเนียกระพริบตาบางคนไม่รู้นะเคยมีนักอภิธรรมก็ถามกระพริบตาเนี่ยทาให้รู้สึกตัวได้ด้วยเหรอ เป็นการเบลทำได้หรือก็บอกว่าก็ได้แต่ว่าเคลื่อนมือหรือว่าเอาคาปั้นมาทุบที่เข่าก่อนถ้ากระทบแล้วยังไม่รู้สึกนี่เขโอ้กระพิบตามก็ยากอยู่เพามันละเอียดกว่าเราเจตนาเคลื่อนกระทบเนี่ยเรารู้สึกได้ถ้าเจตนายังไม่รู้สึกนักมวยเตะกระสอบทายไม่ถูกบนเวทีก็ยากอยู่นะพราะกู้ต่อสู้ก็มีชั้นเชิงแต่เพราะความคิดเนี่ยโอมันไม่มีตัวไม่มีตน อีกไม่นานนะ ก, ก็โทรศัพท์มาบอกโอ้ดีใจดีใจรู้สึกว่าโอ้แปลกดีแปลก ด, ลกดีวันนี้ขับรถแล้วก็ตากระพริบรู้สึกตัวได้ด้วยบางทีเออถ้าเราไม่ได้ฝึกได้หัดหรือว่าเจอผู้ที่เป็นพี่หรือว่ากาลัลยาณมิตรที่เคยเดินทางมาก่อนสกิดเราก็ไม่รู้เลยเหมือนกันเราก็เลยต้องมีลักษณะของกลัลยาณมิตร มีลักษณะของโยนิสสมัทิกา ร, รกน่ะใกล้ควรอยากแยบกายแล้วก็น้อมก็มาใส่ตนลองดูลองดูแล้วก็จะเห็นจริงนั่นแหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนแต่ว่าความรู้สึกนี้โกหกหลือหลอกอกครไม่ได้เด็ดขาดผีหลอกไม่น่ากลัวคนหลอกไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่ า, าตัวเองกําลังหลอกตัวเองอยู่กําลังหลงอยู่ในความคิดในบังวนของความคิดแล้วก็จะไหลน เดินทางสู่ความเสื่อมทันทีจะเดินทางสู่ไร้ว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จึงนี่แหละน้อมเข้ามาเห็นแล้วเห็นแล้วลักษณะของการเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวทันทีทันใดขณะนี้ขณะ น, ณะนี้เพราะนั้นอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นมาเช่นนั่งแล้วก็เจ็บปวดเมื่อยอันนี้ก็เรียกว่าขันธ์ารมาอันนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนผ่นคายบรรเทาแก้ไขได้ ก็ต้องมีสติไม่โอยระนาของคิดเปลี่ยนขั้งที่หนึ่งคิดเปลี่ยนขั้นที่สองคิดเปลี่ยนขั้นที่สแล้วก็เปลี่ยนให้อย่างเดี๋ย่เป็นผู้ที่กําลังฝึกตนฝึกตนมีสติอยู่ก็ได้อาศัยระนาของขันเรียกว่าขันห้าก็ว่าได้ภาษาของพระเจ้าหรือเรียกว่าเอ่ออาการของรูปธรรนามธรรมหรือกายใจก็ได้ ภาษาที่ตื้นที่สุดแล้วก็เราสัมผัสถึงทันทีกายใจของเราก็เรียกว่าเป็นครูเราไม่ถือว่าเป็นมารเราถือว่าเป็นบาละมีไม่ใช่มารมีมีมารถือว่าเป็นบาละบาลมีบาล ม, มีก็ทําให้เราเหมือนกับว่ามีพลังมีกาลังที่จะเดินทางต่อไปต่อมาก็เมื่อสติของเราเรารู้รความรู้สึกตัวอยู่ สติก็จะพาไปลักษณะทําให้เกิดสมาธิปัญญาก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์ห้าพละห้าทวงทวงกันไว้มีลักษณะของศรัทธาต้องทวงด้วยปัญญามีลักษณะของความขยันเคลื่อนไหวก็ต้องมีสมาธิกากับเอาไว้สมาธิมากไปมันก็จะนิ่งอย่างนี้แต่ความขยันมากไปมันก็จะเป็นไฮเปอร์ลุกลี้ลุกลนก็ทวงไวใ้ให้เกิดความพอดีพอดี สติคือรึกรู้รึกรู้รูกร้กลับมารึรู้เรียกว่าสติปัฏฐานในตัวเราในตัวเราถอดไปนอกตัวเป็นสติสัญญาทะานอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นกันทุกวี่ทุกวันทุกขณะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆธรรมชาติมันก็คุ้มครองเราตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม ก็เรียกว่าผลภัยผลภัยในทุกๆขณะเกิดภัยอะไรขึ้นมาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ภัยมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันกาลังแสดงออกกี่ล้านล้านปีผ่านมามันก็แสดงออกอยู่อย่างนี้ในทางกระดาษ น, นี้นก็กาลังแสดงออกอยู่อย่างนี้ก็จึงไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นสะดุง้งหรือว่าหวาดผวาเสียวสันหลังมันเป็นเรื่องของความเป็นปกตินะ กายก็ปกติใจก็ปกติอย่างนี้เป็นต้นเราก็จึงมารวมตัวกันตอนนี้ก็เป็นเดือนที่สองแล้วที่เรามาเรียนรู้ฝึกหัดกายใจของเราถ้าหลายคนหลายท่านก็ม่งหวังว่าสามเดือนนี้มาบวชก็จะได้เหมือนกับว่าพักผ่อนฟื้นฟูกายใจให้เหมือนกับว่าจะได้มีเลี้ยวมีแรงออกไป เผชิญโลกว่างได้ไหมที่ผ่านมาเราจะเหมือนกันว่าบางทีก็ท้อแท้ก็เลยบอกว่ามีการบวชหลายลักษณะเช่นอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเริ่มใสก็มีบวชเจเบียดบวชแก้บนนั่นลยเป็นการเอาประโยชน์จากการบวชกั น, นเป็นเครื่องแบบนักเรียนในเครื่องแบบที่จะต้องเรียนรู้ฝึกหัดศึกษา ไปเดวทำให้ตามรอยตามร่องที่พุทธันชีนนำเอาไว้ให้ถล่มถลายตกลงไปในร่องของมรรคของผลให้เกิดนิพพานให้ได้โดยเฉพาะสามเดือนนี้มีผลสามเดือนอย่างเช่นเราก็รู้ว่าในวันอาสา ล, ลหาบูชาพระสูตรสตรแรกที่ทรงแสดงออกมาเรียกว่าธรรมจักขปวันสูตรเป็นทางที่เดินสู่ทางผลทุกข์ก็คือ ไม่ติดอยู่ที่ฝั่งซ้ายฝั่งฟ้าเลยว่าตา ม, มาสุขาริการุโยกเนี่ยอัตตาอรมทานิโยกเราก็เดินไปตรงความเป็นกลางเลยว่ามัชฌิมาปิฎพตามัชฌิมาปิฎพาคือความเป็นกลางความพอดีอย่างที่เราเคยได้สดับตอบฟังกันตามพุทธประวัติมาในขณะที่มังเพนทุกขกิริยาอยู่ในปีที่หกเนี่ย ก็ทนมากนะอดข้าวอดน้ำํำนีะจกระทั่งแต่ที่นพุงนะที่หน้าท้องไปถึงสันหลังแต่ที่หลังสันหลังเออถึงหน้าท้องในกระเพาะในท้องแห้งไม่มีอาหารอยู่เลยมันเป็นทุกขาริยานก็ได้ยินนะท้องอ้างว่าเทวดาจริงๆก็คืออาจจะเป็น บัตรลความดีจิตดีของพระองค์นั่นแหละก็คิดได้หรือว่าได้ยินได้ฟังจริงๆว่ามีครูกำลังสอนลูกศิษย์พูดถึงพินสามสายถ้าตึงไปมันก็จะขาดถ้าหย่อนไปมันก็จะดังไม่เพราะพอคิดได้นี้ปั๊บว่าเออความพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปก็เลยนะเลิก จากกำมเป็นทุกขคุริยามาฉันข้าวของนางสุชาดาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนลัญจราแล้วก็ส่งน้ำส่งสนานจนสบายดีแล้วก็มานั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ที่พระแทนศิลาอารใต้ต้นโพหันหน้าไปทางที่ต้นออกแล้วก็บอกว่าเราก็จะไม่ลุกขึ้นอีกก่อนนั่งเป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้เมื่อถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเออแทงไปจากสรีระก็ตามหนังเอ็นกระดูกจะผุพังไปก็ตามถ้าธรรมะที่เราควรรู้ควรเห็นโดยเรวแรงของบุรุษถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่หยุดทำความเพียรเสียถึงแม้เราจะตายไปก็ยอมก็เรียกว่าเป็นคนใจเพชรนะก็ขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยนะจนทั้งมีความสำเร็จขึ้นมา ในวันเพ็ญเดือนหกเคลื่นสิบห้าขามยามสามปรเกาเป็นวันพุธ mm hmm. ก็ระหว่างนี้นี่เองตีสามถึงหกโมงเช้าเราก็จึงตื่นขึ้นมาพลังชีวิตเราก็ตื่นขึ้นมาหายใจแล้วอย่างอันก็คือจิตของเราได้พักมากายได้พักมาทั้งคืนมันกับพร้อมที่จะนน้อมเอาธรรมะที่มีอยู่ทั้งหมดมาใส่ตนเราก็เลยเห็นความจริงต้งที่ตื่ตนจากทางหลับไป มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวว่าความรู้สึกตัวที่เกิดจากการผลิตขึ้นมาทุกๆขณะเป็นความว่องไวไวพิปพิพานจะเป็นสติปัฏฐานเรามีอยู่แล้วนทุกคนของมันมีอยู่แล้วนะเราก็มาพัฒนาตาในโดยการที่เอาอารมณ์ที่มันนอนเนื่องบนทินเครื่องเศร้าหมองที่มีในกรมลสันดานบังเอาออกไปออกไปออกไปออกไ ป, ออกไป วิธี อ, ออกอกก็ง่ายแสนง่ายก็คือเติมตัวความรู้สึกตัวเข้าไปเอาน้ําดีใส่ลงไปน้ําเสียไหลออกมาเองไม่เหนื่อยเราก็ไม่ต้องไปกั้นกรองอะไรมากมายเอาความดีใส่ลงไปความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความไม่รู้สึกตัวก็หายไปเองอย่างนี้นะดังนั้นเราก็จึงไม่เสียเวลากันร่องรอยก็มีอยู่แล้วตรงๆเราไม่ต้องมาค้นหาอะไร มสมเด็จสัมมาฯจะกระชี้นำพ่อแม่กรูบาอาจารย์กระชี้นำเอาไว้เราก็เพียงแค่น้องก็มาใส่ตัวแล้วก็เดินตามลงไปทันทีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในเครื่องแบบนักเรียนน อ, นอกเครื่องแบบคารวะญาติโยมถือเป็นนักเรียนนอกเครื่องแบบแล้วก็เรียนรู้วิชาเดียวกันก็คือวิชาพุทธศาสนาให้จิตใจเกิดความรู้ตื่นเบิก บ, บานขึ้นมาจะต้องมีความสุขเกษมสารก็ขอให้ในายบัตรทำ ที่มาร่วมกันประเดไรทำในคราวครั้งนี้นไม่ว่าจะมากี่วันก็ตามก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการปฏิบัติพรมอาจารย์ของของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดอของทุกโดยทั่วนากันทุกท่านทุกคนท่าน